ลงที่เดต่ำก่าทำใหญเลยเลยทำพื้นลงมาเฉยพี่เดินวิ่งเรียนวิ่งบบัดรูวุติกับเดินมาวิ่งก็เรียนมันเป็นแบบพีกาแต่ไม่ถึงพิการตอนเดินเมืสานที่ทําสายมา มันมีลักษณะอย่างเดียวกันทั้สามวันสี่วันวันนี้ตั้งแต่วันถ่ายต้องลูกภายในกำเริด้วยมันเป็นมาเรื่อย ธรรมะถ้าในมีช่องทางซึมซาบเข้าสู่จิตใจยอมปรากฏมีลักษณะอาการต่างๆกันเช่นเดียวกับฝ่ายอาธรรม ที่คลุมครืนกันกับใจยอมจะทำให้ใจมีความรู้สึกแปลกๆต่างๆอยู่ตลอดเวลารสของความรักเป็นอย่างไรก็รู้นั่นก็คือรสของกิเลสรสของความชังเป็นอย่างไรก็รู้นั่นก็เป็นรสของ ไยอต ร, รมรสของความโลภความความโกรธโมโหตูสูรสของความอิจฉาพยาบาทตรปองร้ายความเพียดแชนต่างๆรสแห่งความลื่นดึงบันเทิงรสแห่งความหวังในแง่ต่างๆ จะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญขอให้โดยหวังเหล่านี้เป็นรถของกิเลส ข, ของอาธรรมทั้งมวลย่อมจะทราบภายในจิตใจของผู้รับสัมผัสและอยู่ใต้อำนาจของมันโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือรถของฝ่ายอาธรรมซึ่งกรมกลืนกับจิตใจมาเป็นเวลานานไม่มีเวลาขยับขยาย ขณะหนึ่งแสดงอาการออกมาขณะหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทางรสชาติของมันติดออกมาด้วยให้สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแม้จะให้ชื่อให้นามได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญแต่ความรับทราบในรสชาตต่างๆที่แสดงออกมา เพราะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าของไม่มีทางที่จะปฏิเสธยอ่ยอย่อนอกจากยอมรับโดยแต่เดียวเท่านั้นเพราะเป็นความที่เด่นอยู่ภายในกิจไม่ว่าจะเป็นอาการใดแสดงออกมาทั้งตัวเหตุทั้งตัวผลของมันจะมาพร้อมๆกันรัก มีเหตุอันหนึ่งให้ละลาเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้เกิดรสชาติขึ้นมานี่เรียก ว, ว่าเหตุซ้อนซ้อนเหตุมันซ้อนกันอยู่เช่นนั้นแต่และอย่างละอย่างสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจซึ่งเป็นผู้รู้นี้ทั้งนั้นแล้วรสชาติเหล่านี้ไม่มีใครในโลกนี้จะปพิเสธได้ในความรู้สึกของตัวเอง แม้จะไม่พูดให้ใครต่อใครฟังก็าตามแต่เป็นความยอมรับกันอยู่โดยหลักธรรมชาติหาความสงสัยไม่ได้ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการของฝ่ายอาธรรมซึ่งมีอำนาจและขณะที่มีอำนาจอยู่ภายในจิตครอบงมจิตแสดง พิษภัภยต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตทั้งที่จิตเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากไม่เห็นว่าเป็นโทษมักจะเห็นว่าเป็นคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะพิษได้แรงขนาดไหนจิตยังยอมรับยังพอใจรับพอใจแสดงเช่นความโกรธความถึงเฉียวนี่เป็นความทุกข์ความเครียดแฉ่งเป็นความทุกข์มากมาย กิจยังยอมรับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละรสชาติของอาธรรมปรากฏภายจในจิตใจตามเหตุการณ์ของมันหนักเบามากน้อยเพียงไรผลจะแสดงออกมาตามนั้นนี่คือสิ่งที่คลุกเคล้าอยู่กับใจใจยอมรับทราบโดยไม่สงสัยไม่ว่าใจของผู้ใดก็ตามยอมรับกันทั่วดินแดน ทีนี้แยกออกไปสู่ด้านธรรมะอันหนึ่งเป็นอธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมธรรมหากได้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ธรรมได้ปรากฏตัวขึ้นภายในจิตใจเริ่มแต่เหตุที่จะให้เกิดธรรมเพราะบางต้นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นใน ต, ตำลับตาลาให้เกิดความเชื่อขึ้นมา แล้วพยายามขวนขวายบำเพ็ญอันเป็นด้านธรรมมาขึ้นมายอมจะมีรสชาติปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันกันกบรสชาติของฝ่ายาธรรมเมื่อความพอใจความเชื่อความน้อมใสความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นภายในใจก็แสดงว่ากระแสแห่งธรรม ฝ่ายเกได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วผลก็เริ่มแสดงขึ้นมาในระยะเดียวกันแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่าเป็นผลให้ชื่อว่าเป็นผลก็าตามแต่ก็ทราบด้วยการยอมรับเช่นเดียวกันกับฝ่ายอาธรรมเมื่อปรับปรุงจิตใจให้ทําได้ปรากฏ ขึ้นที่ใจขือร่วงไหลเข้าสู่ใจเพราะธรรมมีอยู่รอบใจเช่นเดียวกันแต่กิเลสซึ่งเป็นฝ่ายอาธรรมมีอมนาจเหนือกว่าจึงเข้าอยู่วงในใจอยู่วงธรรมอยู่วงนอกหรือธรรมมีอมนาจน้อยแม้อยู่ภายในจิตก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ เพราะถูกครอบงาจากฝ่ายที่เหนียมนาคมากกว่านะ่เมื่อได้บุกเบิกด้วยวิธีการดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จะเป็นกรณีใดนง่ยใดก็ตามย่อมจะเป็นทางให้ทำทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจมากน้อยดังท่านสอนให้อบรมจิตตะภาวนา วิธีการท่านสอนสอนเพื่อให้ทำปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหลเวลานี้มีแก่ฝ่ายอะธรรมปรากฏแสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดอย่างอุบาทกะหารทำไม่มีอำนาจที่จะแสดงออกมาได้ท่านจึงสอนวิธีการที่จะทําให้ทำแสดงตัวออกมาได้เช่นเดียวกับฝ่ายอะธรรมเอ็นให้นั่งสมาธิภาวนา จะกำหนดวิธีใดก็ตามตามแต่เจ้าอิกชอบในธรรมบทใดเป็นคำบริกรรมพุธโธหรือธรร ม, มรูหรือสังโฆหรือกำหนดอาปาณาสติลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ทุกระยะแห่งลมสัมผัสอวัยว ะ, ะมีจมูกเป็นต้นเข้าและออก เขาออกมีความรู้สึกไม่ให้คิดปรุงไปในแง่ใดๆเพราะความคิดปรุงในแง่ใดนั้นมันเป็นทางเดินของกิเลสแสดงว่ากิเลสออกก้าวเดินทำไม่ได้ก้าวเดินทำเริ่มจากก้าวเดินในขณะที่มีสติกําหนดดูลมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หรือกําหนดปริกรรมภาวนาในธรรมบทใด เช่นพุโทโธพุธโทโธจิตรู้อยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธไม่ตุงไม่แต่งไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้รุงออกไปแต่ปรุงเรื่องของธรรมคือพุโทโธเท่านั้นหรือธรรมโมหรือสังโฆเท่านั้นมีความรู้สึกติดต่ออยู่นี่ทือว่าเบิกบุกเบิกทางเพื่อให้ทำได้ปรากฏหรือบุกเบิกทางเพื่อให้ทำก้าวเดินได้ เริ่มตั้งแต่สติก้าวเดินได้จากนั้นความรู้ที่สืบเนื่องกันเป็นลำดับเพราะสติเป็นผู้ควบคุมก็ก้าวเดินได้เป็นระยะยาวไปโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นใจที่มีความสงบเพราะการก้าวเดินแห่งธรรมทั้งสติทั้งความรู้สืบเนื่องกันกลายเป็นความรู้ที่แนบแน่งเป็นความรู้ที่สงบเป็นความรู้ที่เย็น นี่คือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วจากเหตุแห่งการก้าเดินของธรรมผลก็ปรากฏตามกันมานี่ขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมปฏิบัติที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเริ่มปรากฏอย่างนี้ส่วนการให้ทานการรักษาศีลก็มีรสมีชาตไปแต่แตและอย่างละอย่างหากไม่ ชัดเจนไม่แน่ใจเหมือนรสชาของจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางที่ให้ทำสัมปัสขึ้นในขณะนั้นนั้นนั้นเนีนเด่นขึ้นโดยลำดับสุดท้ายผลแห่งการให้ทานรักษาศีลจะไหลรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้ามาสู่ทำนกใหญ่เช่นนั้น นี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตการมีอยู่ที่ไหนพูดไม่ได้เพราะมีอยู่ทั่วไปเช่นอย่างอากาศมีอยู่ทั่วไปแต่ใครจะเป็นผู้สัมผัสก็นอกจากร่างกายของเราเท่านั้นเดินไปไหนก็สัมผัสเรื่องเยน็นเรื่องร้อนไม่ปฏิเสธ เพาะกายนี้เท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสปีนฟ้าอากาศทั้งหลายมีอยู่ในสถานที่ใดๆก็าตามเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เอาท้องฟ้ามาหาสมุทรมาเทียบก็ยังไม่ได้กว้างขวางเอาใจโลกธาตุมาเทียบก็ยังไม่กว้างขวางเข้าธรรมไม่ละเอียดละออเหมือนธรรมธรรมนี้ครอบหมดขอบเขตตะโกวันทั้งแดนส ม, มุทรและแดนนิมุตร ไม่มีจุดไหนดอนใดที่ทำจะไม่แทรกอยู่ถ้าเราอยากจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายควางแทกเลือกตื้นอยากละเอียดเพียงใดจงปรับจิตใจของตนให้เข้าสู่ระดับธรรมเป็นลำดับกำลาไปตั้งแต่เริ่ ม, มขัน้นแห่งสมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญา ทะลุถึงยมุดถุกพ้นแล้วจะทราบได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติโกนี้ประกาศตรงวานอภาณในจิตของผู้นี้แล้วรู้โดยสมบูรณ์สันติิโกก็เต็มภูมิสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจะไปถามใครเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสัมผัสัมพันธ์ทำทั้ ง, ง, งหลายด้วย ร, รู้ทำทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในใจเป็นผู้รู้ทั้งนั้นเนี่ย เ, เวลานี้เรากําลังพยายามที่จะทําทำให้ซึมซาบให้สัมผัสสัมพันธ์กับกกกยายาไกล จ, รงงยายาจึงต้องตะเกียกตะกายต้องพยายามเพราะเหตุไรจึงต้องพยายามจึงต้องตะเกียกตะกายเพราะฝ่ายต่ํากําลังมีมีกําลังมากเวลานี้อยู่ภายในจิตใจกระดิกติกแแลงออกในเนี่ยในมุมใดมีแต่ฝ่ายต่ํานี่ทํางานก่อนทั้งนั้น ถ้ากัดลัดกั้นให้ทําก้าวเดินออกไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาตั้งสติสังเกตดูก็รู้เริ่มตั้งสติจะไปสักกี่วินาทีมันจะมีความผลักดันออกมาจากภายในใจเพราะกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจผลักดันออกมาที่นั่นผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งในเรื่องราวทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งมาแล้วทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นการปรุง รวล ม, ลมแรงๆหาเหตุหาผลหาความจัดความจริงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดพอที่จะให้พินิจพิจงงารณาหรือเห้ละให้เว้นให้เห็นโทษเห็นไปแห่งความผิดปุงนั้นๆย่อมคิดเลวแหลกแวกแนวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาบางังคับจิตใจให้เข้าสู่ระดับทมเพื่อทำจะได้ก้าวเดินเช่น นั่งสมาธิภาวนากำหนดสติลงไปสู่งานของตนเช่นงานภาวนาหรืองานบริกรรมภาวนาจะไม่กีน่นาทีเมื่อเรายังจับหลักของธรรมยังไม่ได้จะถูกผลักดันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผลักดันออกมาให้เกิดความเสียดายให้เกิดความอยากคิดอยากปรุงให้เกิดความอยาก สำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยปรุงเคยแต่งกันมานานแสนนานจนกี่กับนับไม่ถ้วนแม้แต่ในปัจจุบันนี้นี่ก็นับไม่ได้แล้วเพราะมากต่อมากมันยังไม่อิม่มไม่พอยังไม่ <c oughs> ยังเสียดายยังอยากคิดอยากปรุงเพราะฉะนั้นมันจึงผลักดันออกมาจากวิเลตตัวหิวโหยนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลา เราพยายามตั้งสติให้ดีนี่จึงต้องฝืนที่นี่นะต้องพยายามต้องฝืนต้องมีสติต้องจดจ่อระมัดระวังให้ทําได้ก้าวเดินสติจดจ่อต่องานงานคือคําบริกรรมหรือการกําหนดอนาปานสติเป็นต้นให้ได้ทํางานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในโลกนี้ประหนึ่งคือทําความเข้าใจกับตนและทําความรู้สึกตนว่า โลกนี้เหมือนไม่มีอะไรอะไรไม่มีมีเฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกลมผ่านเข้าหรือลมผ่านออกก็ไม่ได้นิยมว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมกาหนดเห้ทราบเฉพาะความปรากฏคือลมนั่นแหละสัมผัสกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นดั่งจมูกเป็นต้นสัมผัสเข้าสัมผัสออกก็รู้เราจะกาหนดว่าเป็นลมด้วยเป็นลมไม่สาคัญ ให้ที่สำคัญก็คือให้รู้ในขณะที่ขันนี่แสดงตัวสัมผัสเข้าสัมผัสคอลมกับความรู้สัมผัสกันสิ่งที่มาสัมผัสความรู้ที่เรียกว่าลมนั้นเราให้ชื่อให้นามให้ชื่อแม่นามไม่สำคัญไง่สำคัญที่ไม่ให้เผลอหนักไม่พยายามจะเป็นไปได้อย่างไรต้องใช้ความพยายามต้องอดต้องทนพินิจพิจารณา ประหนึ่งในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกเข้ามาเจือปนจิตใจมีแต่งานกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึง่งเมื่อจิตมีผู้ตามรักษาหรือสติบังคับให้ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันไม่ขาดบัคขาดตอนเพราะ ไฟต่ำมาทําลายได้มากีดขวางแต่ย่อมจะสงบเย็นขึ้นมาพอใจพอใจสงบเย็นขึ้นมาเท่านั้นผลย่อมเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วในทำขั้นสมถะนี้นะบางครั้งถึงกับขาดไปเลยก็มีแต่ผู้ฟังอย่าได้คาดได้ไหมายให้เป็นตามหลักธรรมชาติของตัวเองนี่ท่านพูดถึงเรื่องความมีความเป็นของท่านต่างหา ซึ่งเราอาจจะเป็นไปนอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุของเราที่จะทำให้เป็นผลขึ้นมาในจากการบําเพ็ญบางครั้งมันขาดไปหมดเลยไม่เพียงแต่สงบเท่านั้นปรากฏว่าขาดหมดเพกิดจากความรู้เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ในท่ามกลางน้ำมหาสมุทรใหญ่ๆทะเลหลวงนั่นแหละเป็นเกาะคือเกาะนั่นหมายถึงความรู้ที่เด่นดวง อยู่โดยเฉพาะนอกจากนั้นเป็นสิ่งเป็นสมมติทั้งหลาย ม, มีมากเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ขันขั้นสมาธิก็เป็นได้อย่างนี้แต่เราให้ชื่อเฉยๆเราพูดได้เต็มปากแต่เพียงว่าบางครั้งเวลาบําเพ็ญสมถะ ร, รมจิตสงบตัวลุ่งได้ถึงขนาดนั้นก็มีนะั่เมื่อได้ปรากฏเช่นนี้แล้ว ทำไมรถแห่งธรรมจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดภายในความรู้นั้นเมื่อรถแห่งธรรมขั้นสมถะเนื้อขั้นสงบล่าภาพได้ปรากฏขึ้นเอนชะนี้ทำไมใจจะไม่มีความกระยิมยิ้มย่องไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นเต้นภายในตัวมีหรือสิ่งเหล่านี้ตั้งเกิดมาเราไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นเพิ่งมารู้มาเห็นมาเป็นในขณะที่เราภาวนานี่เท่านั้นนี่ก็เป็นเครื่องปู่ศรัทธา หรือเสริมศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มีกําลังมากขึ้นด้วยความประจักษ์ใจเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามนัม้นจะโหมตัวมาเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญมากศรัทธาสําคัญแล้วความมุ่งมั่นก็ตั้งขึ้นมาทีนี้ศรัทธากับความมุ่งมั่นที่จะให้ได้ให้ถึงมีน้ําหนักมากอย่างไรเรื่องความเพียรเรื่องความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเป็นจะตาย มันจะเป็นธรรมเข้ามาด้วยกันเทนั้นไม่ได้กลัวเป็นกลัวตายกลัวแต่จะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นเป็นกำลังนี่ความอยากประเภทนี้เดียกว่ามากแสดงตัวขึ้นแล้วแข่งกับความอยากของฝ่ายต่าซึ่งมันเคยอยากมาทําแต่ความรุ่มร้อนให้เราความอยากอันนี้ไม่ได้ทําความรุ่มร้อนความอยากอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะลบล้างความอยากขึ้นเห็นท า, าไปโดยลำดับลาดา จนกระทั่งถึงสิ้นสุดมีมุดดุพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วความอยากนี้ก็หายไปะความอยากอันเป็นตัวกิเลสไม่ต้องพูดมันบรรลัยไปแล้วความอยากนี้ถึงจะหายก็อยากดับทุกอยากพ้นทุกอยากฆ่ากิเลสให้วอดมาไปหมดเมื่อฆ่าได้สมใจแล้วจะอะไรมาอยากอีกอยากฆ่าอะไรอยากพ้นหาอะไรพ้นทุกพอพ้นแล้วอยากบริสุทธิ์ที่ไหนก็บริสุทธิ์แล้วน อยากประเสริสที่ไหนก็ประเสริได้โดยหลักธรรมชาติเห็นดัานานาน่างชัดเจนความอยากนี้ก็หลุดลอยไปเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งไม่ต้องสลัดปัดทิ้งแต่ประการใด น, นี่เรื่องธรรมที่ว่าธรรมมีอยู่ก็เช่นเดียวกันกับอธรรมที่มีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีภายใน จ, ใจิตใจย่อมแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นได้รู้อยู่ประจักษ์ ทุกดวงใจไม่มีเว้นใจจึงเท่ากับพูดบอลถูกเตะติงไปติ้งมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่เรื่องของกิเลสตากฏภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นใครจะสงสยัยนะสิ่งที่ตากฏเหล่านั้นถ้าให้ชื่อว่ากิเลสให้ชื่อว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงก็ตามแต่มันล้วนตั้งแต่ฝ่ายต่ำทั้งนั้นที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตของผู้ไม่มีธรรม ยิต่พ orna าภายในใจเลยก็ติดก็พันก็เชื่อยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นไม่มีที่จะให้รู้โทษรู้กอ่อ น, น, น, น, นของมันเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของมันเพราะฉะนั้นมันจึงได้่ยสนุกกล่อมสนุกเหยียบย่ําทำลายสนุกขยี้ขยําจิตใจหากเป็นสิ่งที่ชิมหายปายปล ong มาได้ไม่มีจิต ด, ดวงใดเหลือค้างในโลกสามแดนโลกธาตุนี้แม้ดวงเดียว จะแหลกไปหมดไม่มีชิ้นจิตดวงใดเหลือเลยแต่นี่เพราะจิตเป็นสิ่งธรรมชาติเหนียวแน่นมั่นคงทนทาน ม, มากถึงจะรับความทุกข์ความนําบาปเพราะความเพราะความขยี้ขยำบีบบี้สีไฟของจิตเหตุประเภทใดก็ตามทุกย่อมก็ยอมรับว่าทุกทุกมากขนาดไหนถึงมหันต่ทุกก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิดหายก็คือจิตดวงนี้จึงได้รอดตัวออกมา มาในพบในชาติต่างๆถึงปัจจุบันที่เราได้รู้ๆเห็นๆอยู่นี้ก็คือจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละแต่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุกค้าตลอดเวลาแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลให้เป็นอยู่พาในจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้ยงนอกจากเวลาที่หลับสนิทซึ่งจิเล็ดพักตัวเท่านั้นจิตจึงได้พักตัวว่าคืนนี้หลับสนิทดีนี่นี่แหละการได้พักจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นนฮ้เมื่อได ก้าเข้าสู่ธรรมเพื่อให้ธรรมก้าวเดินด้วยวิธีการปฏิบัติมีกิจตภาวนาเป็นสำคัญแล้วธรรมก็จะเริ่มเดินอย่างที่กล่าวนี้แต่ธรรมมีอมนาจน้อยในขั้นเริ่มแรกต้องได้ใช้การฝ่าฝืนใช้การบังคับบัญชาใช้การกดฉี่คมเหงฝ่ายต่ำอย่างมากแต่ส่วนมากเราพูดว่าทรมานจิต ทรมานกิเลสที่อยู่กับกจิตนั่นแหละม่ใช่ทรมานอะไรทุกวิธีการจะหักโหมขนาดไหนเอาเป็นเอาตายเขา้าแล่เขา้าต่อต่อกรกันก็คือการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การต่อสู้กับกจิตจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถูกลุมล้อมถูกย่ํำยีตีแหลกจากกิเลสประเภทต่างๆจิตที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเมื่อเจ้าของได้ช่วยอย่างนั้น ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจิตจะว่าทรมานจิตได้ยังไงจิตจะไปมาเห็นโทษของการทรมานนี้ยังไงนอกจากจะเห็นคุณค่าของการทรมานของการต่อสู้กับกิเลสของการฟาดปันหั่นแหลกกิเลสให้เห็นเป็นความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำแบบดับลำดับเานั้นนี่แหละที่ว่าเด้หักโหมกันหักโหมอย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้ ในขั้นเดิมแรกหนักไปอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปก็หนักไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกนี้หนักทางร่างกายจิต ก, ก็ได้หักโหมกันเต็มที่ร่างกายก็ต้องได้ทุดได้สอบได้ตัดทอนกันลงอาหารการบริโภคการเป็นอยู่หลับนอนนอนมากเป็นอย่างไรนยีเรลียดแสดงไหมแสดงเพิ่มกำลังขึ้นมากไหมชันมากเป็นอย่างไ ร, รยิเลียดเพิ่มกาลังขึ้นไหม แต่พึงทราบนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยว่าการนอนมากก็เป็นเครื่องส่งเสริมจิเลดให้กําเริบตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการฉันมากก็เป็นการเพิ่มกําลังของจิเลดให้มีกําลังมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการฝึกฝนทรมานการคิดตะกรวนาจึงก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญอยู่มากที่มีอํานาจกดขีบ่บังคับจิตใจให้ก้าวไม่ออกทางสมถะธรรม ด้วยเห็นนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตในเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความภาความเปลี่ยนของตนการกินดูปูวายหลับนอนเป็นยังไงจึงต้องได้ระวังอยากจะนอนขนาดไหนก็ต้องได้ทนไม่ให้เป็นไปตามนั้นยากชันมากขนาดไหนกินมากขนาดไหนก็ต้องไดลดได้หย่อนลงไปเพราะเอาธรรมเข้าไปว่า ไม่ใช่เอาเรื่องของกิเลสกิเลสมันอยากมันหิวมันหย่ยได้ทลายไม่พอนั่นเรื่องของกิเลสเมื่อให้ตามใจชอบของกิเลสแล้วมันก็มีกําลังมากมันก็ท้บเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตามทำทำเห็นว่าขนาดนี้พอพออยู่ได้พอเป็นไปได้เพื่อรสแห่งธรรมจะได้ปรากฏยิ่งกว่ารสของอาหารการบริโภคยิ่งกว่ารสของกิเลสนี้เป็นแนไหนแล้วก็ฟาดปันกันอันแหลกกันนี่อทูกตรงนี้ ในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าไม่มีการทรมานมีการฝึกทางกายหักโหมทางกายบ้างย่อมเป็นปรัญญาสำหรับผมเองเคยดําเนินมาอย่างนั้นเวลาธาตขันมีกําลังเอะอะนิดหนึ่งคอยแป่จะเสริมนิดนึงคอยแจะเสริมจึงต้องได้ระมัดระวังให้อดลงไว้เสมอให้หิวหิวให้โห ย, ห ย, หยทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเดชชอบแล้วต้องตัดลงตัดลงการนอนก็ให้น้อยที่สพอตื่นแล้วไม่ซ้ํา รีบลุกทันทีไม่ซ้ำนะการฉันก็นเหมือนกันผ่อนหนักผ่อนเบาสุดท้ายมีแต่ผ่อนด้วยๆเป็นจำนวนมากเอาเรื่อยแล้วจากนั้นอดอจิตจึงพอก้าไปได้นี่ได้เห็นอย่างชาัดเจนสำหรับนิจรลินนิสยัยส่วนมากถูกกับวิธีการที่เกล่าวมาเหล่านี้ไม่ก็ผิดแหละนอกจากคิปาปิญญาเท่านั้นถ้าคิปาปิญญาก็ไม่สาคัญอะไรนะ ข้อกำลังของจิตของท่านควาอมที่จะพุ่งอยู่แล้วธรรมนาของพวกเราที่เคยนอนตัวอยู่เฉลียดมากับยืดหยมาเป็นเวลานา น, านฝึก ย, ยากๆทรมานนักยากอย่างนี้สิ่งนนี้ต้องเป็นไทยได้ทันนั้นแหละจึงต้องให้สังเกตกันทางปฏิบัติให้ทําได้ออกลวดลายบ้างได้เริ่มแต่สมาธิทำได้ปรากฏขึ้นมานี่รถของธรรมปรากฏแล้วภายในจิตใจ จะมีกวา้างแคบผนาดไหนเราถือเอาความสัมผัสระหว่างจิตกับธรรมที่ปรากฏกันอยู่นี้เท่านั้นเช่นเดียวกับอากาศอากาศจะกวา้างแคบผนาดไหนเราถือเอาความร้อนความเย็นที่ปรากฏมาสัมผัสร่างกายของเหล่านี้โดยเฉพาะเฉพาะไปที่ไหนก็ทราบว่าวร้อนร้อ น, <ๆ>นหรือหนาวหนาวอยู่นี้เฉพาะนี้ที่อื่นมันจะหนาวหรือไม่หนาวร้อนไม่ร้อนไม่สําคัญเพราะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสกายเป็นผู้สัมผัสกายกล้าไปที่ไหนย่อม รับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเรื่อยๆว่าที่นั่นร้อนที่นี่เย็นที่นี่หนาวไม่รู้ทำก็เหมือนกันถ้าลงได้สัมผัสแล้วไปที่ไหนก็สัมผัสอย่างนี้สัมผัสอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับอากาศสัมผัสอยู่ที่กายของเรานี่แหละฉันทำได้ปรากฏขึ้นมาและ่วนอาธรรมทั้งหลายก็จะค่อยจางไปนี่เป็นขั้นหนึ่งของการตุกทรมานที่หนักและหักโหมกันพอประมาณหรือหักโหมกันมาก ในขั้นเริ่มแรกที่จะให้จิตได้รู้เรื่องรู้ราวให้พอสงบตัวเย็นใจได้หายใจบ้างต้องเอากันอย่างหนักเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพลินมีความสงบสบายมันเคยฟุ้งซ่านนําคาญจิตตัวกิเลสตัวสําคัญนําคัญมันเคยผลักดันออกไปให้คิดถึงรูปถึงเสีย ง, ถ, งถึงกลิ่นถึงกลิ่นดราคะตัณหาสงบตัวลงไป อันนี้แ่ะตัวสาคัญมากมันควนใจมากนะราคาตันหานควรเอามากทีเดียวตัวนี้เป็นตัวร้ายแดงที่สุดในวงวัฏจักรนี้ตัวนี้แสดงอย่างผ่าโผลนมากทีเดียวเมื่อตัวนี้สงบลงไปเท่านั้นก็พอมีพอเป็นพอไปพอปรุงจิตปรุงใจได้จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยเฉย ณาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพราะสมูไทยเป็นปรนาณทั้งข้างนอกข้างในติดรูปข้างนอกไม่ใช่ชมูไทยหรืออยู่ข้างนอกนั้นเอารูปนั้นเป็นเหตุตัวสมุาไทยจริงอยู่ที่จิตไปยึดเหนียวเอารูปโอเสียงเอากลิ่นนั้น ล, ลดภายนอกเข้ามาถ้าเข้าอยู่ภายใน จ, ใจิตใจจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกได้เราพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นมากทําไมพิจารณาไม่ได้แยกส่วนแบ่งส่วนนี้พิจารณาให้เป็นเหมือนป่าช้าผีดิบ เอาให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นนักปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าท่า ส, สอนให้ไปเยี่ยมป่าชาก็เนี่ยให้ไปวิจณาอย่างนี้ทำเหล่านี้สดสดร้อนรอนเพราะกิเลสทุกประเภทสดสดร้อนร้อนทำทำไมจะล่าสมัยเอามาแก้สิ่งสดสดร้อนร้อนที่เผาเราให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้กิเลสตัวไหนที่ล่าสมัยไปแล้วมีไหม เวลามันเผาเราตัวไหนมันก็เป็นพืนเป็นไฟเป็นเหมือนกันหมดทําไม่ทำจะน้าสมัยเอามาแกกกิเลสปราบกิเลสให้บรรลัยลงไปจาบใจจะล้าสมัยที่ไหนนาาํามามาใช้อ่การพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของธาตของขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในให้สนใจจริงๆเช่นเดียวกับเราสนใจจ่อในสมาธิด้วยสติของเราเองมีสนใจทางปัญญาก็จ่อทางด้านปัญญาเมื่สติตามควบคุมให้ได้การได้งานในสิ่งนั้นจริงๆ เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากจะแยบออกมาจนได้เรื่องปัญญาพอแยบออกมาเข้าใจรัศดรแยกแยกครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าไปนี่เรียกว่าได้เงื่อนแล้วได้พยายามแล้วแล้วจิตก็ก้าเดินด้วยสติปัญญาก้าเดินไปเรื่อยสุดท้ายก็เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจถึงนี้เข้าใจอันใดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่แล้วปล่อยได้ปล่อยได้ปไดปไดเป็นลำดับนี่แหละเรื่องปัญญาฆ่ากิเลสตัดกิเลสตัดอย่างนี้สมาธิเป็นติเพียงมาทำให้สงบ ปัญญาเป็นฝ่ายฆ่าฝ่ายถอดฝ่ายถอนดังนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในอันดับต่อไปถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องเสียดายสมาธิไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นายความสงบให้หมุนลงปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มที่เต็มฐานเป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับเราพิจารณาภาวนาทางด้านสมาธิไม่ห่วงปัญญาให้เป็นปัจจุบันธรรมปั จ, จุบันกิจกับงานของตน อยู่โดยสม่ำเสมอจนกว่าจะถอยออกมาแล้วจึงพิจารณาทางด้านตา่างยาทำงานไม่ให้ก้าวกะกันถึงว่าหน้าที่จะทำอะไรให้มีความจริงจังนักปฏิบัติยาและหล่อแหละดังที่เคยเห็นอยู่นี่ผมหนักใจนะหนักใจถึงขนาดมากทีเดียวเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูตลอด น, นอกจากไม่พูดผมเองเป็นผู้แนะนำสอนหมู่เพื่อน เพื่อความดีควาดีเพื่ออาจเพื่อทําทุ่มเทลงอย่างไม่มีอัดมีอั้นไม่มีคําว่าเสียดายไม่มีรีไม่รับทําบทใด้ที่จะเป็นประโยชน์แก่หมูเพื่อนในถอดถอนออกมาค้นออกมาโขยออกมาทุ่มให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอากาศพิรยาของหมูของเพื่อนที่มันแสดงหูแสดงตาขัดต่อจะทำตั้งหลายแล้วยิงทนคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ต้องในคิดจากนั้นก็ถ้าจะพูดว่าหนักใจก็หนักใจ มันไม่ช่วยหนีช่วยผลกับการแนะนําสั่งสอนเต็มเม็ตเต็เมตหน่วยุ่มเททุกจิ้งอย่ยทุ ก, ทกมือทุกคณะควรจะเห็นใจทั้งเห็นใจตัวเองทั้งเห็นใ จ, นใจครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเอาตรงให้เต็มเม็ตเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายแล้วอันสามแสนโลกธาตุมีแต่ดินน้นาลมไฟอากาศสภาพเท่านั้นเองแต่พูดถึงเรื่องกิจก็จิต ก, กับบาปกบุญนี่มันก็คูกเข้ากันอยู่ตลอดเวลาทุกก็เคยทุกมาแล้วสุขก็เคยสุขมาแล้ว เราไม่ต้องสงสัยว่าตกนรกอเวจีที่ไหนอืจิต ด, ดวงนี้ช่ชําชองมากในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรที่จะไปตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ฉันผมนอกจากจิตตรงเดียวนี้เคยไปมาหมดแล้วมันก็เป็นของเก่าไปอย่างนั้นแ่ะผ่านไปผ่านมาพราะอยู่ในกฎอนิจจังเรื่องของสมมุดแล้วย่อมเป็นกฎอนิจจังทั้งนั้นไม่มีอะไร <c oughs> แน่นหนาตาวันพอที่จะตายใจได้เลยนอกจากนิพพา น, นังพรมังสุ ข, ขงังซึ่งเลยจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังนัสตานิพายดัลทานัา น, น ยังเป็นธรรมชาติที่ตายตัวไว้ใจได้ตลอดเวลาแม้สงขันอยู่ก็ตามขอให้จิตได้ถึงธรรมชาติอันนี้เถอะไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยตายเมื่อไรตายได้อยู่อยู่ได้ตายด่าตายไ ด, ยได้ไม่สงสัยไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นไม่หวังพึ่งอะไรเลยแต่ว่าพึ่งตัวเองก็ไม่หมดัดไม่หมายพอดีพอดีก็อยู่อย่างนั้นเนี่ย ขอให้ทําตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงถ้ำปัจจุบันที่กล่าวอยู่แลนี้ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเถิดอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมหมดที่นี่กระจายทั่วแดนโลกกระถางทั้งสมมุติทั้งวิมุติทั่วถึงกันหมดเลยไม่ต้องเพียงพูดแต่ว่าแดนสมมุติโลกกระถางเท่านั้นวิเรศมันมีอยู่ในแดนโลกกระถางนี้สามไตรภพนเรียกว่าสามภพไตรแรียว่าสามในแต่ภพมีเป็นเรื่องของ ธรรมมันท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเดือนขางหลังแต่เมื่อทำได้คร่าวเข้าไปแล้วหมดเลยทั้งสามแดนโลกาธาตุนี้ทั้งแดนแหนี้ผ่านไม่สงสัยนั่นธรรมเมื่อได้กระจายแล้วกระจายหมดยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งกว่าฤทธิเดชเป็นแน่ไหนด้วยเหตุ น, นี้ท่านผู้เป็นตากทั้งหลายจึงโคจรนาด้วยความถึงพระไทยถึงใจแก่พวกสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราเป็นสําคัญพุทธบริษัท กนุหโซกิมานันโดนิจังปัจ เ, เติสติอันตกาเลนะโอนัาปดีบังนังเวสถะก็เมื่อโลกทถนีวาดนี้มันรุ่มร้อนไปได้วยฝุ่นด้วยไฟอยู่ตลอดเวลาเท้าลนอยู่ไม่มีพักมีตอนเลยพวกท่านทัน้งหลายลื่นลึงมันเทองหัวล้อ ก, กันหาอะไรทำไมไม่สอบแสวงหาที่พึ่งซึ่งเป็นของเลิศของพระเกิฐยิ่งกว่านี้เป็นนไหนเล่านะเหมือนอย่างตะโกนบอกไฟไฟตะโกนบอก ยากผีบอกอยูง่งันมาเป็นมิตรเป็นสาขายที่ไหนนี่กิเลสมันหลอกกเฉยแล้วสงสัยที่ตรงไหนเกินในอัตภาพนี่เป็นยังไงที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มากับสิ่งต่างๆด้วยอัตภาพด้วยขันอันนี้เป็นยังไงได้รับความวิเศษวิโสอะไรบ้างความคิดความปรุงกับปรุงมาพอความเห็นก็เห็นมาพอได้ยินมาพอสัมผัสสัมพันธ์มาพอมีอะไร ขายได้ของพิเศษที่โสมาปวดตันบ้างมันก็เท่าเดิมเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดเอาทำรรออกมาสิให้ทําให้จิตไ ด, ดส้สัมผัสสัมผัสทำสิจะได้ประกาศกลางวานขึ้นในหัวใจตัวเองแม้ไม่ประกาศให้ใครทราบก็ตามจะประกาศกลางวานขึ้น ท, ที่หัวใจตัวเองอิ่มพออิ่มพออิ่มพอโดยลําดับลำดับนดจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างอ น, นาลโยหมดเรื่องอะไรตาอยากกับแดนหนังป่าย้าคือ เดินฉันสมมุติทั้งสามนี้คือเดินในป่าชานั่นแหละเกิดตายเกิดตายอยู่ที่นี่พ้นจากนี้แล้วดูข้างนัาฏิอาชาตัดสักหมดเรื่องสถีเถอะเรื่องเกิดเกิดตายตายนี่ทุกไม่มีแล้วง่ายง่ายอย่างนั้นมีพูดถึงเรื่องธรรมมีอยู่และความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเช่นเดียวกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับฝ่ายอรธรรมนั่นแหละอมือมันมีมากมัน ก่อสัมผัสพันพันกันมากทุกข์มากฝ่ายธรรมฝายธรรมเมื่อมีมากก็มีความสุขมากเย็นมากถูกมีมากเท่าไรจนกระทั่งทํากับใจเป็นเดียวกันแล้วหมดที่จะพูดพูดอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่แดนที่จะนำมาพูดกันจิจเป็นธรรมทรเป็นจิตคัร ว, นนะว่นเนะสบายก็แสนสบาย จะว่าร้านสบายก็เป็นไรไปาพูดติดปากกันมาแสนสบายแสนสบายร้านสบายอะไมเลยความสุขความทุกข์ไปดูประกันทั้งปวงทุกโรคโลกทุกโรคโลกเลยทั้งหมดนี่การปฏิบัติทำของพระพุทธเจ้านี่แหละ เป็นธรรมสสดเรานอนเป็นธรรมที่ทสมัยเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในการปราบกิเลสไม่มีเครื่องมือใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเสมอเหมือนได้ไทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจิตใจที่กิเลสติดขึ้นมาทั้งตัวของมันเองแหลกได้ด้วยอจจัตถิธรรมเห่านี้สติธรรมปัญญาธรรมสำคัญมากพระหา้าท่านกล่าวไว้แล้วศรัทธาบรยาิยสติสมาธิปัญญาเนะี่ยโยโยงกัน สำว่าศัทธาเชื่อเลยธรรมดาพวกนี้ศรัทธาที่เชื่อในวงปฏิบัตินี Harmon ่มีรสชาติมากนะเพราะเป็นรสประจักษ์วิริยะก็เหมือนกันวิริยะของความเพียรแท้เป็นยังไงวิริยะในวงปฏิบัติเป็นยังไงความเพียรทั่วไปเป็นอีกอย่างไสติของในวงปฏิบัติเป็นยังไงและวงปฏิบัติเป็นชั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายเป็นยังไงอีกนะปัญญาเหมือนกันสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นขั้นๆ โดยลำดับเห็นประจักษ์เจ้าของเห็นประจักษ์เจ้าของที่ทำแบบนี้บรรจุวิธีใจนี้หมดเปิดออกมาก็จะได้เห็นถ้าเปิดด้วยภาพปฏิบตัติถ้าไม่เปิดด้วยภาพปฏิบัติไปเปิดดูถึง ก, กัมพีเวลาก็เห็นแต่ตัวหนังสือกับกระดาษเท่านั้นเปิดดูอ่านดูจกนกระทั่งวันตายไม่สําเร็จผลไม่สำเร็จประโยชน์ชี้เลสนึ้งเต็มตัวหัวเราะโดยซ้ําไปถ้าเปิดด้วยวิธีภาพปฏิบตัติดังท่านสอนไว้ว่าปริญาตปฏิบัติครปฏิเวทไม่ต้องพูดจะเปิดเผยขึ้นมาที่ใจเนี่ยชี้เลสเต็มหัวใจ เปิดเผยยึดภายในตัวในหัวใจของเราเราแม้เราโง่ขนาดไหนเราทุกข์เรา ย, ยัางยอมรับว่าทุกข์เคลื่นอนยังยอมรับว่าเคลืนเมื่อทําแทะเข้าไปทําลายสิ่งนี้เข้าไปเป็นยังไงทําไมจะไม่รู้รถของธรรมเป็นยังไงความสว่างกระดาบแจ้งของธรรมเป็นยังไงรสชางธรรมเป็นยังไงทําไมจะไม่รู้ต้องรู้นี่นี่คือคำว่าปัญญาสมาธิปัญญาปัญญาสุดยอดคือคือปัญญาอัตโนมัติแหลมคมละเอียด ตั้งแต่ขั้นตะเพือนปัญญาอัตโนมัติมีตั้งแต่ขั้นผ่าผนไปถึงขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซุ่เหมือนกระดาษสุ่มนี่ลเอียดละเอียดลงไปสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือปราบพิเดชเขาละเอียดตามกันไปต่างกันไปถ้าถ้าพิเดชไม่ไม่หมดอยากหัวใจเสมออะไรแล้วปัญญาประเภทนี้จะไม่หยุดทํางา น, นจ ะ, ล, ะลุกลามไปเรืเ่อยเรืเ่อยเรยเรื่อยจนทั่งหมดแล้วไฟกระดับเองมื่อหมดชั่วแล้วไฟกระดับเองนี่ตปะธรรม เมื่อเชื้อแห่บัตจักหมดไปแล้วก็ดับเองไม่มีสิดด่งใดอยู่แล้วทรงตะวิมุตต์สเสวยวิมุตต์ฟังดิท่านพูดออกมาว่าสเสวยเพราะโลกมีสมมูิท่านก็บอกเสวยวิมุตต์ท่านไม่ได้สเสวยเหมือนเราสเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาเอาตีขาเวทนาน่ะท่านยกออกมาเทียบกับสมมูิพอเป็นคู่เคียงกันเท่านั้นเองว่าสเสวยวิมุตต์ความจริงท่านไม่สเสวเยเอือ เอาอะไรมาสเสวยหืมสเสวยแบบโลกๆมันก็เป็นวิมุตตนั่นก็เป็นเวทนาสามปดสินี่ท่า น, นมันม่นงี้เสวยวิมุตติสุขมันก็ว่าอย่างนั้นมันข้ามันถึงกับรู้เองสเสวยไม่สเสวยกับรู้เอง พาการตั้ง อ, อกตั้งใจนะผมเหนื่อยลงทุกวันทุกวันดงังที่เห็นผมไม่ได้แน่นอนนะวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างนี่ใจมัผมเปลี่นไงเพ ร, ะราะทำแล้วเพรทราบแล้วมันพออยูพอ่พอไปไม่อยู่ต้องไปพอทําต้องทําอันนี้เมื่อมันไม่ควรไปได้ไนมะ่ควรทําได้มันก็ทําไม่ได้ ฝืนเหตุพื้นผลฝืนเป็นไมาพื้นความยิ่งถึงไม่ได้ผ่ารังตั้งอกตั้งใจคุณปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดสําคัญยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกๆกท่านนี่จึงมีการปฏิบัติอย่างเจมวอดกดขันอย่าเพ้อพายไปกับอะไรอย่าติดใจกับอะไ ร, ะไรเพราะเป็นสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเป็นของเก่าของนั้นของประเด็นมาแล้วทั้งหมด ถ้เหรมันเสกสรรตัณย์ย่อขึ้นมาให้เราหลงเฉยว่าเป็นของใหม่เอี่ยมเนี่ยทำพอจะทําระกอบเข้าไปขี้เหร่มันเป่าพุทธเดียวให้เป็นของเด่นไปหมดเป็นของน่าสมัยไปหมดเลยขี้เหร่กลายเป็นของน่าสมัยขึ้นมานี่เพราะมันยึมนามากนี่เราไม่รู้มันกลมมายาของมันดีสิพิจารณาให้มันแน่ลงไปภายในจิตใจของเราเถิดแล้วมันจะสรับคัดโดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปริญพานกี่พระองค์ แล้วว่านานเท่าไหรตามการนิยมสมมุตินิยมวันนั้นจะปรากฏสดสดร้อนๆอยู่ที่จุดดวงเดียวนี่แหละชั้นใดชั้นนั้นในที่นี้ได้เลยภาษาโมกขิจมณ์เท่าไหร่ก็ไม่สงสัยันนี่ชั้นใดนั้นชั้นนั้นนั้นชั้นใดนี่ชั้นนั้นทีเดียวแล้วไม่พูดว่าชั้นนั้นชั้นใดเสียด้วยซ้ำไปประจักษ์ทีเดียวพอเลยกับความจริงทั้งหลายอันตรเิดของโมกุธเจ้านั่นความจริงไม่ประสรินอกจากสัจธรรมทั้งสีไป ความจิงมนี่เป็นความจริงมันประเสริญนอกจากสัจธรรมสัจธรรมสาหรับทุกข์ก็เป็นความจริงมันประเสริญสมุทัยเป็นความจริงอันประเสริญคือไม่เคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์มันต้องเป็นทุกข์สมุทัยแหล่งผิดทุกข์มันต้องผิดข้างมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่ามากเครื่องปรับยิ่งต้องมาับไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความความหมายว่าอย่างนั้นนะคือไม่เคลื่อนไหวไปไปกับสิ่งใดๆทั้งนั้น นิโรธความดับทุกรู้อำนาจของม า, งารเป็นกำลังต้องดับธาตุ่ายเดียวเท่านั้นดับดับโดยโดยดับ ด, บ ด, บ ด, บดบนี่คนเดียวว่าสนาธรรมอันนั้นที่บอกจริงอันประเสริฐอนนั้นนอกจากศาสนาธรรมอนี้ไปเราใส่มารมากษัตริตย์เป็นผู้หนุนเป็นผู้ตัดสิ่งที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายสิ่งที่เร็ว ตามต่ำชาติทั้งายออกจนกลายเป็นทาตั้งดวงขึ้นมาที่จิตทั้งดวงนั้นการทียังทําันเป็นเี้ยพอั้งคนที่เปิดมาเขารู้สุกเหนื่อย